อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกัพได้เป็นอย่างต่าคําว่าทำอันตรายคือทำอันตรายด้วยกล่าวว่าชนทั้งหลายจะพึงถวายจีวร น, นี้ได้อย่างไรกันต้องอบวบปาจิตตีทำอันตรายบริการอย่างอื่นต้องอบวบทุกกฎทำอันตรายจีวรหรือบริการอย่างอื่นของพิชณีหลายรูปพิกชณีรูปเดียวหรือของอนุปสัมพัตธต้องอบวบทุกกฎ